Book 2ูห้าสาชร้านค้า p า r, r d u ูตูวีสเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเมสซี่เอชคอมสปอร์ตูเพร์คิวปารส เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเมสเชรคมเมสอสปร์ดูตวเวสเรากำลังมองหาร้านขายยาเมสเริเกลังมองหาร้านขายยาเชีรคมไวสตินิสเราต้องการซื้อลูกฟุตบอลเมสโนเรตุมเปรกตุฟุต์บลคกามมลีเราต้องการซื้อซาลามี Mes norėtume รต r t Mes t i i Mes k t i เ ū k y t o ึงหุกขีตัวเสียชู้เราต้องการซื้อยาเมื่อสโนว์เรตุเม่เพิ่งถึงเวสุเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอลมมพูส t ตรดตวสนริฟุตบลคม เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามีเมซชมมซอสปรดตเวสเนสร์มรกติรคิโตสเดชสเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาเมซิชก็ไมไวสตเนสเนสโนร์ไม่ปรกติไวสตดูดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับอชเยยูเวลโร ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ Ash e o f o t o p r k p r d u t v s, <S ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน Ash e konditerios p r d u t v s, <S อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน Ash d i r k t e d อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพอาจดดเปิรกติฟิล์มอโยสตาอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กอาเจดดเปิรกติตอร์ตาดิฉันกาลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนอชเยกูเวลีโรเนสนูรปิรกติจีดา ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก